จากไม้ไส้กรอกในทุกทุกปีราชาฟรานซิสแห่งอาณาจักรที่ทรงพลังของเรดเลกจะเป็นจุกภาพจัดงานเลี้ยงฉลองของราชาและคุณนางจากทั้ง1ิอาณาจักรใกล้เคียงในปีนี้เขาต้องการให้ลูกชายของเขามันหมายกับเจ้าหญิงคนใดคนหนึ่งที่จะมาร่วมงานเลี้ยงฉลองครั้งนี้แต่เจ้าชายก็มีคนที่เขารักอยู่แล้วลูกสาวของเชพราชวงศ์และเขาต้องการให้โลกรู้ว่าเธอฉลาดหลักแหลมเพียงใด มาลีข้าขอเจ้าอีกครั้งแต่งงานกับข้านะท่านเป็นเจ้าชายนะฝ่าบาทและท่านก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงเท่านั้นน่ะไม่ข้าทําไม่ได้ข้านึกภาพไม่ออกเลยว่าข้าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่แม้กระทั่งสวมรองเท้ายังต้องให้คนช่วยได้ยังไงอาณาจักรไม่ได้ต้องการคนที่ติดหรูแบบนั้นอนาณาจักรต้องการราชินีที่ฉลาดและปราดเปรื่อง แล้วเจ้าหญิงมาถึงที่นี่แล้วและราชาก็บอกว่าท่านจะได้แต่งงานกับหนึ่งในพวกนางนะข้ารู้มันจะเป็นยังไงเจ้าเคยได้ยินความหมายของคํานี้ไหมซุปจะออกจากไม้ไส้กรอกได้ยังไงการทําซุปจากไม้ไส้กรอกเป็นคําพูดของชาวเดนมาร์กซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําซุปจากไม้ไส้กรอกดังนั้นเมื่อมีใครสักคนทําซุปจากไม้ไส้กรอกมันจะหมายถึงพวกเขาทําในสิ่งที่ไร้ประโยชน์และไม่มีเหตุผล หรือทำตัวเกินกว่าเหตุหรือในอีกทางหนึ่งหากมีใครสามารถทาซุปจากไม้ไส้กรอกได้มันก็จะหมายความว่าพวกเขาสามารถทำบางอย่างที่ยากมากๆได้หรือทำบางสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้นะถูกเพ่งเลยคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังร่วมงานเฉลิมฉลองราชาได้ประกาศขึ้นข้าขอประกาศว่า ตอนนี้ลูกชายของข้าได้เติบโตขึ้นเป็นสุภาพบุรุษเละรูปงามเขามีทั้งความเชี่ยวชาญในการปกครองความเชี่ยวชาญในการต่อสู้และด้านกฎหมายถึงเวลาที่เขาต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงสักคนแล้วคนที่ในอนาคตจะได้เป็นราชินีแห่งเรสเล็กจริงสิบอกพวกเราเถอดเจ้าชายแห่งเรสเล็กว่าท่านตัดสินใจจะแต่งงานกับผู้ใด ถ้าคิดว่าราชนีที่จะเป็นอนาคตแก่อาณาจักรทั้งหมดนางผู้นั้นต้องมีความเป็นกลางฉลาดหลักแหลมและรู้จักกาลเทศะใช่เาเห็นด้วยเรเห็นด้วยเอาเห็นด้วยถ้างั้นหากพวกท่านไม่ว่าอะไรข้าจะจัดให้มีการแข่งขันเล็กๆขึ้นในหมู่ผู้หญิงคนที่ต้องการจะเข้าร่วมข้าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สามารถนำสูตรซุปที่ทำจากไม้ไส้กรอกออกมาได้ ไกลกันจะทำซุปจากไม้ไส้กรอกได้รสชาติมันคงสยองแนแนแห่เลยแล้วมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วลูกสาวก็คข้าจะทำซุปได้อย่างไงนางเป็นเจ้าหญิงนะแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเช่นนี้ พวกเราเจ้าหญิงเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างต้องนีสองขามต้องมีสองขา ม, ม, ามดังนั้นจนึงมีเจ้าหญิงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ามคนเจ้าหญิงคนแรกได้รับไมายไส้กรอกที่มีขนาดใหญ่เธอออกเดินทางไปพร้อมกับทหารของเธอเพื่อที่จะตามหาสูตรทำซุปคืนหนึ่งเธอพบว่า ตัวเองอยู่ในป่าทาหารของเธอกําลังตั้งแคมป์ให้เธอแต่ในตอนเช้าเธอตื่นขึ้นมาจากเสียงโหระคิกคักถ้าเปิดหน้าต่างออกเธอพบกับนิมกําลังอยู่ท่ามกลางดอกไม้พวกเขากําลังพูดคุยอะไรบางอย่างเธอนํานไม้ไส้กรอกออกมาและออกไปพบพวกเขาโอ้ ว, ว้าวพวกเจ้เป็นใครกันแล้วกําลังทําอะไรกันอยู่งั้นเหรอวันดีนี่เป็นไม้ไส้กรอกของท่านงั้นเหรอใช่จ้ะ นี่มันใหญ่มากเลยไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้มา ก, ก่อนเรากําลังหามันอยู่พอดีเราขอยืมสักสองสานาทีได้ไหมได้สินิมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าภายใต้พระอาทิตย์ที่ส่องแสงพวกเขาล้อมรอบไม้ไส้กรอกและสร้างน้ําค้างบนใบไม้และดอกไม้เพื่ออาบให้แก่มันหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็นําไม้ไส้กรอกกลับมาคืนแด่เจ้าหญิงขอบคุณมากนะเจ้าหญิง เออเจ้าช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมอะไรงั้นเหรอข้ากำลังหาสูตรการทำซุปจากไม้ไส้กรอกเราเพิ่งทำมันไปเจ้าหญิงเราเพิ่งทำซุปจากไม้ไส้กรอกไปพวกเราไม่รู้หรอกนะว่าทำยังไงแต่ว่านี่ท่านอาจจะชอบมันเจ้าหญิงคนแรกกลับมาหาเจ้าชายพร้อมกับไม้ไส้กรอกพวกเขาไม่ได้บอกวิธีทาซุปจากไม้ไส้กรอกกับข้า แต่พวกเขามอบสิ่งนี้ให้เอเอข้าไม่ชอบสีม่วงเออข้าขอโทษอ่อเ <c oughs> ข้าว่าถึงเวลาของผู้แข่งขันคนอื่นแล้วละ่ะดังนั้นจึงถึงคิวของเจ้าหญิงคนที่สอง <c oughs> เธอไปหาคุณยายที่รอบรู้ของเธอเพื่อขอคำแนะนำซุปจากไม้ใส่กรอกใช่ไหมเพื่อจะทำมัน เจ้าต้องสแสวงหาปัญญาเติมเต็มด้วยพลังจินตนาการและทำมันออกมาด้วยหัวใจเช่นนักกวีนะสแสวงหาปัญญาเติมเต็มด้วยจินตนาการและทำมันออกมาด้วยหัวใจเช่นนักกวีโอเคเขาเป็นเจ้าหญิงเขาต้องทาได้เจ้าหญิงไม่เข้าใจในสิ่งที่ยายของเธอพูดเธอรวบรวมนักปราชญ์จิตกร และนักกวีจากอาณาจักรของเธอและไปพบกับเจ้าชาย ฟ, ฟาบาดข้ามีเคล็ดลับในการทำซุปจากไม้ไส้กรอกเพคะจริงเหรอทั้งหมดที่ต้องการในการทำซุปจากไม้ไส้กรอกก็คือแสวงหาปัญญาเติมเต็มด้วยจินตนาการและทำมันออกมาด้วยหัวใจเช่นนักกวี นี่คือนักปราดเพื่อสแสวงหาปัญญาจิตตะกอสาหรับเติมเต็มจินตนาการและนักกวีเพื่อทํามันเพคะเออเจ้าหญิงการแข่งขันนี่มันสําหรับท่านนะไม่ใช่นักปราดจิตตะกรและนักกวีในอาณาจักรของท่านแต่ฟาบาดข้าเป็นเจ้าหญิงนะและเจ้าหญิงไม่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองสิข้าว่าถึงเวลาของผู้แข่งขันคนที่สามแล้วล่ะฟาบาด ดังนั้นเจ้าหญิงคนที่สามจึงตัดสินใจเสี่ยงโชคดูเธอเดินทางไปยังอาณาจักรที่ห่างไกลวันหนึ่งเธอมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนกับมีเด็กกำลังทะเลาะ ก, กันข้าหยิบมันก่อนนะข้าเจอมันก่อนนะ่ะไม่ข้าเจอก่อนตั้งหากเล่าใครเห็นก่อนเนี่ก็ไม่สำคัญหรอกนะลูกไปเอานมมาให้หมาน้อยเรวเข้า หยุดทำซุปจากไม้ไส้กรอกได้แล้วโอ้ซุปจากไม้ไส้กรอกอย่างนั้นเหรอประธานโทษ น, นะคะคุณไ่คะขอสูตรทำซุปจากไม้ไส้กรอกให้กับข้าได้ไหมสูตรงั้นเหรอใช่คะ่ะ ข้าเป็นเจ้าหญิงข้าจะตอบแทนท่านเป็นอย่างดีหากท่านมอบสุดให้แก่กข้าได้โปรดเถอะมันไม่มีซุปไม้ไส้กรอกอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะแต่ว่าท่านพึ่งการทำซุปจากไม้ไส้กรอกเป็นคำพูดของชาวเดนมาร์กที่หมายความว่าเป็นคนโง่ไร้เหตุผลทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะคุณโอ้งั้นก็แสดงว่า ไม่มีวิธีปรุงซุปที่ทำจากไม้ไส้กรอกได้อย่างนั้นเลยเหรอไม่คาฟาบาดเอเจ้าหญิงกลับไปที่พระราชสำนักและรายงานทุกอย่างเห็นไหมคาฟาบาดมันไม่มีวิธีปรุงซุปจากไม้ไส้กรอกอะไรนั่นเลยนะนี่ช่างไร้การท่านปล่อยให้ลูกสาวของเราทำแบบนี้เพื่ออะไรกัน ท่านกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงลูกสาวของข้าเดินทางไปทั่วอาณาจักรเพื่อหาสูตรมาให้กับท่านเออใช่สินะพร้อมกับคนรับใช้เป็นร้อยคนแค่คนรับใช้ร้อยคนลูกที่น่าสงสารของข้าทำไปเพื่ออะไรกันเราจะล้งแค้นสำหรับการดูถูกครั้งนี้ ต้องทำสงครามใช่แล้วต้องมีสงครามต้องมีสงครามใช่ต้องมีสงครามต้องมีสงครามาต้องมีสงครา ม, ม, า ม, ม, ามเดี๋ยวก่อนเพคะฝ่าบาทมันมีซุปที่ทำจากไม้ไส้กรอกอยู่จริงๆนะคะจริงงั้นเหรอใช่เพคะงั้นแสดงให้เราดูสิและพวกเราจะไม่ยอมเชื่อจนกว่าจะได้ชิมมันได้เพคะฝ่าบาทนำมันเข้ามาได้ ขอบคุณมากนะนี่คือซุปสุดพิเศษที่มีสามส่วนผสมค่ะอย่างแรกเราต้องนำน้ำไปต้มให้เดือดจากนั้นเราก็นำไม้ไส้กรอกใส่ลงไป <c oughs> และแน่นอนเพราะมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดขั้นตอนสุดท้ายเราต้องใส่สิ่งที่พิเศษสุดๆลงไปอะไรกันเหรอนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีใครรู้สุดทำมันเลยค่ะมันคืออะไรกันเหรอ ท้องคำเปลวจากมงกุฎของราชวงศ์เพคะอะไรนะใช่เพคะเราจะไม่สามารถปรุงซุปได้หากขาดมันไปพวกท่านไม่ต้องการที่จะลิ้มรสมันหรือเพคะฝ่าบาทตอนนี้ราชาและราชินีทั้งหมดต่างกังวลเป็นอย่างมากมันเป็นเรื่องลำบากใจอย่างยิ่งที่จะถอดมองกุฎของพวกเขาออกมาแต่พวกเขาก็เป็นคนที่ขอชิมซุปเอง แล้วทันใดนั้นหนึ่งในราชาคนหนึ่งก็นึกบางอย่างออกเข้าลุกขึ้นและพูดออกมาอย่างสุภาพที่สุดเอาการจิ้มซุปนั้นดูเหมือนจะทำให้ชื่อเสียงของงานเลี้ยงในราชวังเล็กชั้นสูงของพวกเราดูไม่ดีเท่าไร่ดังนั้นเราเชื่อแล้วเราว่าซุปนั้นมีอยู่จริงและมันก็ต้องอร่อยมากแน่นอนแต่พวกเรา คงจะชิมมันไม่ได้หรอกดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าไม่ต้องทำมันหรกอกใช่พวกเราไม่อยากชิมมันหรกอกใช่พวกเราไม่อยากชิมมันหรอกงั้นก็ดีข้าคิดว่ามันคงยุติธรรมดียญิงคนนี้สามารถนาสูตรการทาซุปจากไม้ไส้กรอกออกมาได้เพราะฉะนั้นนางคือผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้ ใช่แล้วนางชนะใช่แล้วนางชนะเจ้าตกลงจะแต่งงานกับลูกชายของข้าไหมเจ้าช้อยแห่งเรสเลกข้าตกลงฝ้าบาทโดวยวิธีนี้มารีใช้ความฉลาดของเธอเพื่อหยุตสงครามของทั้งสี่อาณาจักรเธอช่วยเหลืออาณาจักรทั้งหมดไว้ด้วยการทำซุปจากไม้ไส้กรอกเธอและเจ้าชายแต่งงานกัน และปกครองอาณาจักรของพวกเขาอย่างฉลาดและมีเมตตา